เด็กชาวคริสต์มาถามชาวพุทธว่าเธอภาวนาพุทโธแล้วจิตของเธอเป็นยังไงชาวพุทธที่เขาได้สมาธิเขาก็บอกว่าภาวนาพุทโธไปมันมีอาการเบลอเบลอเคลิล้มเคลิมนิดหน่อยแต่แล้วจิตมันวูบลงไปนิ่งแล้วมันสว่างขึ้นมามีปิติมีความสุขของเธอละเป็นยังไงของฉันก็เป็นเหมือนกันเราคนละศาสนาพระเจ้าคนละองค์